มีอะไรจะถามไหมอาจารย์ก็เป็นเรื่องของจิตใจาศาสนาเราพูดเกี่ยวกันเรื่องจิตใจเป็นหลักจิตใจเป็นของไม่ตายจิตใจจะอยู่ไปเรื่อยๆส่วนร่างกายนี้มันก็จะต้องตายไปเมื่อถึงวัยของมันที่เราทุกข์กันก็เพราะว่าเราไปหลงยึดติดกับร่างกายไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราเลยไม่อยากตาย ควาจริงเราไม่เคยตายและใจคือเราเราคือใจผู้ที่คิดอยู่นี้ผู้ที่พูดอยู่นี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของใจใจอยากจะพูดกับใครก็ต้องใช้ร่างกายพูดอยากจะได้ยินเสียงของคนอื่นก็ต้องใช้ร่างกายมีหูฟังร่างกายนี้ก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือดีๆนี่เองเวลาเราจะติดต่อกับ คนอื่นเราก็ต้องมีมือถือเขาก็ต้องมีมือถือถึงจะติดต่อกันได้เราถ้าไม่มีร่างกายเราก็จะเป็นกายทิพย์เราก็จะมีแต่กายทิพย์กายทิพย์ก็จะไม่สามารถติดต่อกับมนุษย์ได้ต้องมีร่างกายถึงจะติดต่อกันได้ที่เราก็มาพึ่งร่างกายหาความสุขกันเราเลยไม่อยากให้ร่างกายจากเราไป อยากไม่อยากมันก็ต้องไปเพราะมันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราเลยมาทุกข์กับร่างกายกันเพราะเรามาอาศัยร่างกายเป็นที่พึ่งอาศัยร่างกายให้ความสุขกับเราใช้ร่างกายหาความสุขให้กับเราเวลาเราไปเที่ยวไปเล่นเราก็ใช้ร่างกายพาเราไปเราก็ใช้ตาดูหูฟัง ปากก็ลิ้นก็ลิ้มรสจมูกก็ดมกลิ่นเราก็เกิดความสุขขึ้นมาจากการที่เราได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็เลยติดอยู่กับการหาความสุขแบบนี้กันพอเราไม่สามารถหาความสุขแบบนี้ได้เราก็ทุกข์กันเวลาเราไม่มีเงินไปเที่ยวเราก็ทุกข์ละหรือเวลาเราไม่สบายเราไปไม่ได้เราก็ทุกข์ละหรือเวลา สิ่งที่เราใช้ให้ความสุขกับเราไม่อยู่กับเราเช่นถ้าเรามีแฟนเวลาเราอยู่กับแฟนเราก็มีความสุขพอเวลาไม่มีแฟนแฟนไม่อยู่เราก็มีความทุกข์ขึ้นมานี่คือวิธีการหาความสุขของเราที่เป็นการหาความสุขที่ชั่วคราวแล้วก็มักจะต้องไปเจอความทุกข์ตามมาเสมอพอเวลาความสุขชั่วคราวหมดไป ความทุกข์มันก็เข้ามาทันทีพระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบวิธีหาความสุขแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือคือให้มาหาความสุขทางใจโดยตรงสร้างความสุขในใจได้โดยไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือด้วยการนั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วใจจะมีความสุข เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการใช้ร่างกายความสุขต่างๆที่เราได้รับผ่านทางร่างกายนี้สู้ความสุขที่ได้จากความสงมบไม่ได้นี่คือทางเลือกใหม่ที่พวกเราจะได้พบได้รู้จากการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้จักความสุขแบบใหม่ เป็นความสุขที่ดีกว่าและเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันจากเราไปพอเรารู้จักวิธีทาใจให้สงบได้แล้วมันก็จะเราก็สามารถทำให้มันสงบได้ตลอดเวลาเวลาสงบมันก็มีความสุขนี่คือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาสอนให้พวกเรามาทำใจให้สงบกัน วิธีที่จะทำใจให้สงบก็ต้องสละความสุขทางเงินทองไปอย่าเอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเพราะมันเป็นมันจะกลายเป็นความทุกข์เวลาเงินทองหมดแล้วเวลาสิ่งที่เราได้มามันหมดไปซื้ออะไรมาพอกินป๊บมันก็หมดไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อมาใหม่ก็ต้องซื้ออยู่เรื่อยๆพอไม่มีเงินทองซื้อก็เดือดร้อนก็ทุกข์นะ เราซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่อิ่มต้องซื้ออยู่เรื่อยๆก็ต้องไปทำงานไปหาเงินหาทองกันก็วนกันอย่างนี้หาเงินมาเพื่อซื้อของต่างๆพอเงินหมดก็ไปซื้อมาหามาใหม่ทำอย่างนี้ไปจนวันตายพอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่กลับมามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มาหาเงินใหม่มาซื้อของใหม่กันองตถาาเลยบอกว่าอย่าเอาอย่ใช้เงินแบบนี้ เอาเงินที่ใช้แบบนี้เอาไปทำบุญทำทานดีกว่าแล้วมันจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าเราจะทำให้เราไม่ต้องใช้เงินไปตลอดเพราะการใช้เงินแบบนี้จะทำให้เราไม่มีความอยากจะใช้เงินซื้อความสุขต่างๆมันจะให้เรามีความสุขมีความอิ่มใจเวลาเราทำบุญทำทาน เราก็จะไม่ต้องไปดินน้นรนหาเงินมาซื้อความสุขต่างๆพอเราไม่มีเงินทำบุญทำทานเราก็ไม่ต้องทำเราก็ไปทำบุญอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าศีลไม่ทำบาปการไม่ทำบาปก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเพราะเวลาเราทำบาปนี่ใจเราไม่สบายเราจะรู้สึกเดือดร้อนกังวลวิตกพอเราไม่ทำบาปเราจะรู้สึกเย็นสบาย มีความสุขนี่ก็เป็นการสร้างความสงบสร้างความสุขทางใจระดับที่สองระดับแรกก็คือทำบุญทำทานทานที่ยาเงินไปซื้อของต่างๆซื้อความสุขต่างๆเอาไปทำบุญทานบุญความสุขที่ได้จากการทำบุญนี้เป็นความสุขที่มากกว่าดีกว่าและเป็นความสุขที่ไม่ทำให้เราติด คือถ้าเราไม่มีเงินทําบุญเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ยังมีความสุขจากบุญเก่าที่เราทําอยู่ได้แต่ถ้าเราเอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันสุขเดี๋ยวเดียวแล้วพอมันหมดไปก็ต้องไปซื้อใหม่แล้วถ้าไม่ได้ซื้อก็เดือดร้อนไม่สบายใจต่างกาันการใช้เงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกับการใช้เงินไปทําบุญนี้ ความสุขต่างกันความสุขทางทางการทําบุญนี้ไม่มีความอยากตามมาถ้าไม่มีเงินทําบุญก็ไม่ต้องทําก็ไม่เดือดร้อนอยู่ได้อยู่เฉยๆได้แล้จะไม่มีความอยากจะเอาเงินไปซื้อของต่างๆทางตาหูจมกูกนิ้งกายเพระเราเลิกแล้วเรา เ, าเงินมาซื้อมาทําบุญแทนต่อไปเราก็ไม่ต้องไปซื้อความสุขทางตาหูจมกูกนิ้งกายเพราะเราหยุดพอเราหยุดทําสักพักมันก็เลิก เมือนเลิกซ uh huh. ื้อบุหร uh ี huh. ่เลิกซื้อเหล้าอย่างเงี้ยต่อไปมันก็ไม่ไม่ต้องซื้อถ้าซื้อมันก็ต้องซื้ออยู่เรื่อยๆถ้าไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อนี่เลิกได้กาแฟนี่เลิกได้ถ้าอยากจะเลิกจริงๆเวลาอยากจะกินก็อย่าไปกินมันนั่นเองเดี๋ยวสักพักหนึงมันก็เลิกตอนเด็กๆไม่เคยกินกาแฟทำไมอยู่ได้เห็นไหมตอนเด็กๆไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยสูบบุหรี่ทำไมอยู่ได้ ไม่เดือดร้อนถ้าเราอย่าไปทําตามความอยากเสอย่างเดี๋ยวความอยากมันก็หายไปความไม่สบายใจที่เกิดจากความอยากมันก็จะหมดไปต้องอดทนหน่อยช่วงแรกๆที่มันอยาก<ม>แล้วมันรู้สึกหงุดหงิดก็บอกช่างมันช่างมันเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็ผ่านไปพอความอยากสงบตัวลงแล้วมันความหงุดหงิดก็หายไปนี่คือวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีความทุกข์ตามมา ถ้าเราใช้ความถ้าเราหาความสุขจากการเพื่งสิ่งต่างๆเราก็จะทุกข์เพราะสิ่งต่างๆมันไม่ถาวรมันมีวันหมดมันมีวันจบร่างกายเรามีวันหมดมีวันจบแต่ถ้าเราหาความสุขทางใจนี้มันไม่มีวันจบไม่มีวันหมดใจเราไม่มีวันตายความสุขระดับที่3ก็คือการนั่งสมาธิการทาใจให้สงบการหยุดความคิดด้วยสติ ถ้ามีสติเราก็จะหยุดความคิดได้วิธีทังวิธีสร้างสติขึ้นมาก็คือให้เราเราเลิกถึงพุทโธพุทโธไปถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปมันก็จะไปคิดเรื่องต่างๆไม่ได้เดี๋ยวความคิดมันก็หายไปพอความคิดหายไปใจก็เย็นสบายมีความสุขสุขกว่าการไปเที่ยวไปเสียเงินซื้ออะไรต่างๆมากมาย แล้วทุกครั้งที่เรามีความอยากก็อย่าไปทําตามความอยากเพราะความอยากมันจะพาให้เราไปสู่ความทุกข์ต่อไปเวลาเสียสิ่งที่เราได้มาในเวลาอยากได้แล้วไม่ได้อย่างลังใจอยากเราก็จะไม่ไม่ทำตามความอยากต่อไปพอเราไม่ทําตามความอยากความอยากมันก็หมดกําลังไปแล้วมันก็จะไม่มีอะไรมาทําให้เราลาคาญใจหงุดหงิดใจ เราก็จะอยู่อย่างสบายไม่ต้องมีอะไรปัญหาของเราก็คือความอยากนีเ่เราต้องหยุดความอยากด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการสอนใจให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันจะต้องจากเราไปได้อะไรมาแล้ว เ, เดี๋ยวก็ต้องจากกัน ได้แฟนมาเดี๋ยวก็จากกันได้ลูกมาก็ต้องจากกันได้อะไรมาเดี๋ยวก็ต้องจากกันได้นั่งกายมาก็ต้องจากกันถ้าเราไม่ต้องการอะไรเราก็ไม่มีอะไรเราก็ไม่ต้องจากกับอะไรเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะอยู่อย่างสบายอยู่คนเดียวไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องยุ่งกับใครมีคำถามเข้ามาหรือยัง คําถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณนินคมนะครับการพิจารณาขันห้าเพื่อไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นควรทําอย่างไรครับก็เอาทีละอันก่อนอันแรกก็คือรูปประคันคือร่างกายของเราต้องพิจารณาเตือนใจอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่เรารู้ว่ามันต้องตายแต่เรายังไม่ยอมรับมันเราต้องพิจารณาจนกว่ามันจะยอมรับว่ามันไม่มีทางอื่นมันจะต้องตายแน่ๆ ถ้าเรายอมรับแล้วเราก็จะปรงได้ปล่อยได้ถ้าเรายอมตายเมื่อไหร่ก็กสนแสดงว่าเราเราเห็นความจริงแล้วว่ามันต้องตายแต่ถ้าเรายังไม่ยอมถ้ามันตายก็สนแสดงว่าเรายังไม่เห็นว่ามันต้องตายต้องพิจารณาไปกว่าเราจะเห็นว่ามันต้องตายแล้วก็ยอมรับกับความตายได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันที่เราทุกข์เพราะว่าเราไม่ยอมรับความจริง เรายังอยากจะให้มันไม่ตายอยู่ถ้ายังมีความอยากไม่ตายอยู่มันก็จะทำให้เราต้องทุกข์ไปเรื่อยๆข้อที่สองก็เวทนาก็คือความเจ็บทุกขเวทนาเราก็ต้องยอมรับว่าร่างกายมันต้องเจ็บแต่มันเจ็บนี้มันไม่รุนแรงเหมือนกับความทุกข์ทางใจเวลาร่างกายเจ็บนี้มันไม่รุนแรงเหมือนกับใจที่ไปทุกข์กับความเจ็บใจไม่อยากให้มันเจ็บ มันก็เลยทุกความทุกข์ทางใจนี่เราดับได้ด้วยการยอมรับความจริงของร่างกายว่ามันต้องเจ็บเหมือนกับมันต้องตายถ้าเรายอมรับว่ามันต้องเจ็บเราปรงได้เราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บปล่อยมันเจ็บไปมันจะเจ็บก็เจ็บไปถ้าใจไม่ทุกข์แล้วไม่ต้องกินยาแก้ปวดก็ได้ที่ปวดส่วนใหญ่มันปวดที่ใจห ม, หมอบอกฉีดยานี่ยังไม่ทันฉีดเลใจปวดไปก่อนแล้วใจทุกข์ไปก่อนแล้ว เขาบอกต้องผ่านะแค่นี้ก็ทุกข์ไปแล้วทั้งๆที่ยังไม่ได้ผ่าเลยตัวที่ทุกข์ตัวนี้เราดับมันได้เราต้องบอกฉีก็ฉีดผ่าก็ผ่าแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมัน <c oughs> วิธีจะไม่ให้ทุกข์ก็นั่งสมาธิเยอะๆนั่งสมาธิได้มากทลายใจมันนิ่งแล้วมันจะไม่มันจะไม่ทุกข์มันจะเฉยได้มันจะยอมยอมรับความจริงได้ ถ้ามันไม่นั่งสมาธิใจมันจะไม่เฉยมันจะไม่ยอมรับความจริงพยายามไปนั่งสมาธิดูให้ได้ถ้านั่งสมาธิได้แล้วมันจะยอมรับความจริงได้ง่ายกว่าการไม่ได้นั่งสมาธิคําถามข้อต่อไปจากคุณหนิงนะครับเรียนขออุบายการให้ทานและให้อภัยกับคนที่เคยทําให้เราเจ็บปวดเสียใจค่ะ และต่อไปเราจะทำบุญกับเขาให้ความช่วยเหลือต่อไปทั้งที่เขาเคยทำร้ายจิตใจเราอยากจะให้เป็นการให้ที่บริสุทธิ์และเปลี่ยนให้ใจเป็นอิสระจากโทสะเราก็ต้องเืมอดีตที่ผ่านมามองเข้าเหมือนเหมือนกับคนที่เราไม่รู้จักเรื่องก็จะง่ายใช่คิดว่าถ้าเราเป็นเจอคนที่เราไม่รู้จักนี่เราก็ทำอะไรให้กับเขาได้ง่ายกว่าคนที่เราเคยรู้จักเนี่ย ถ้าคนใครยเกลียกกดกันโกรธกันนี่มันจําได้มันก็เลยทําไม่ลงเนี่เราต้องลืมเใียว่าเป็นคนละคนก็แล้วกันคนที่เราโกรธเกลียดคานั้นมันเป็นอดีตไปแล้วคนที่เราเจอนี้เป็นเหมนกับคนที่เราไม่รู้จักถ้าเราทําอย่างนี้ได้เราก็จะทําความดีกับเขาได้ให้อภัยเขาได้ทําบุญกับเขาได้ คิดว่าคนที่เราโกรธเกลียนั้นตายไปแล้วคนที่อยู่นี่คนหนึ่งแล้วคนละคนกันคำถามจาคุณวานะครับมีความสุขสงบกับการฟังธรรมรู้สึกสงบและมีความสุขมากมากอย่างนี้ถือว่าเป็นสมาธิอย่างหนึ่งไหมเจ้าคะก็เป็นเป็นสมาธิในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ระดับรวมอะยังไม่ระดับที่เรียกว่าสมาธิจริงๆก็เป็นใจที่เพลิดเพลินกับเสียงธรรม คำถามข้อต่อไปจากคุณจั ก, กรลินนะครับถ้าเรากระทบอะไรแล้วยังรู้สึกรัษชังขึ้นแสดงว่าสติปัญญาเรายังมีกำลังไม่พอใช่ไหมครับใช่สติยังหยุดใจไม่ได้หยุดใจให้เกิดความชังขึ้นมาไม่ได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับข้อที่หนึ่งทำสมาธิหลับตาก็พุโทโธไปตลอดส่งออกนอกประมาณสองสามครั้งดึงกลับมาได้ นั่งได้ประมาณสี่สิบนาทีก็สู้ไม่ไหวสงบแบบนี้เรียกว่าคณิกะใหม่คะมีพุโทโธตลอดรู้สึกตัวคะ่ะยังหรอกถ้าคณิกะนี่มันจิตรวมเต็มที่แต่มันรวมได้เดียวเดียวเรียกว่าคณิกะถ้ารวมได้นานก็เรียกว่าอัปปนาตอนนี้ยังอยู่ขั้นตอ น, นของการที่จะเข้าสู่สมาธิอยู่ยังไม่ถึงเข้ากับตัวสมาธิยังไม่ถึงตัวสมาธิ ถ้าเข้าถ้าก็ยังอยู่แถวปากถ้ำอยู่ยังไม่ได้เข้าไปถึงก้นถ้ำข้อที่สองมีวันหนึ่งนั่งสมาธิคลายวูบไปรู้สึกตัวตลอดอยู่กับลมไม่มีพุโทโธรู้สึกมีความสุขใจออกมาจากสมาธิดูเวลาสามชั่วโมงอันนี้ใช่อั ป, ปนาไหมคะเราต้องฝึกนั่งให้ได้แบบนี้จนชำนาญสามารถวูบตกหลุมแบบนี้ทุกครั้งไหม เพิ่งทําได้แค่ครั้งเดียวเลยไม่เคย ม, มีอีกเลยคือมันจะวูบไม่วูบ ก, ก็ไม่เป็นไรบางทีมันสงบแบบเป็นเป็นเกียร์รถก็ได้เปลี่ยนเกียร์รถทีละเกียร์เกียร์หนึ่งเข้าเกียร์สองเกียร์สองเข้าเกียร 2, ์สามันก็จะมันก็วูบนิดๆหน่อยๆไม่วูบแบบพรวดพลาดบางทีมันก็จากเกียร์หนึ่งลงเกียร์สเลยพรวดไปเลยแอ้มันลงได้หลายแบบแตไม่ต้องไปกังวลขอให้เรามีสติ วควบมใจไปเรื่อยๆมันจะลองแบบั้นก็เรื่องของมันข้อที่3เมื่อวานพระอาจารย์ว่าพอเกิดสิ่งที่ทุกข์ก็กลับเข้าไปในสมาธิคือการทำสมาธิที่เราจะเอาไปใช้ตอนเกิดทุกข์คือต้องวูบลงไปทุกครั้งไหมคะหรือแค่คณิกะสมาธิพอแต่คนชำนาญแล้วถึงจะทำเข้าลึกได้เลยทุกครั้งใช่ถ้า ถ้าชนานาญมันก็จะเข้าไปได้ทุกทุกครั้งไปถ้ายังไม่ชนานาญมันก็อาจจะเข้าเข้าได้บ้างไม่เข้าเข้าไม่ได้บ้างหรือเข้าได้แต่ยากแต่ถ้าคชนชานาญแล้วปุ๊บเดียวสองสามนาทีกำหนดจิตปับ๊บมันก็เข้าไปแล้วคำถามจะคุณยูเรนะครับทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาแล้วเวลาแผ่เมตตากรวดน้ำสามารถนําบุญที่เราทา โอนให้ลูกได้ไหมอย่างเช่นเอ่ยชื่อลูกชายสองคนแล้วพูดในใจว่าลูกชายเราที่ชื่อไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกอเพราะว่าบุญใครบุญมันอย่างนี้ก็แม่มานั่งสมาธิให้ลูกลูกก็ไปเที่ยวเล่นเล่นเกมอยนีน <c oughs> มันจะได้สมาธิตรงไหนของใครของมันเนี่ยคาถามจ้าคุณแอนนะครับความเครียดจากปัญหาต่างๆต้องทําเช่นไรคะก็ตรงไลย ปล่อยวางปล่อยวางปัญหาถ้าแก้ไม่ได้ก็ช่างหัวมันอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วมันก็หายเครียดใช่ไหมไปอยากให้มันแก้ให้ได้มันแก้ไม่ได้ก็เครียดแก้ไม่ได้ก็ช่างหัวมันคำถามจะคุณมยมนะครับที่บอกว่าขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในส่วนของสังขารการปรุงแปลง ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างไรคะเพราะเราควบคุมมันไม่ได้ไงบังคับมันไม่ได้ตอนนี้เราหยุดความคิดได้เปล่าหยุดไม่ให้มันคิดไปในทางที่ไม่ดีได้เปล่าสั่งมันได้เปล่าใช่ไหมจะเป็นของเราได้ไงเมื่อสั่งมันไม่ได้ใช่ไหมของนี่เป็นของเราเราต้องสั่งได้ใช่ไหมเหมือนร่างกายเนี้ยเราสั่งให้มันไม่แก่ได้เปล่าสั่งให้มันไม่เจ็บได้เป่ะ อย่างนั้นแหละมันถึงไม่ใช่เป็นของเราไงแต่เราไปอยากให้มันเป็นของเราใช่ไหมมันก็เลยทุกเวลาอยากก็ไม่ได้ดังใจอยากมันก็ทุกถ้าไม่อยากก็จะไม่ทุกข์ก็ปล่อยมันมึงอยากจะแก่ก็แก่ไปมึงอยากจะคิดอะไรก็คิดไปปล่อยมันไม่ต้องไปสนใจกับมันมันก็จะไม่ทุกข์แล้วตอนตอนที่ทําสมาธิแล้วมันวูบอะค่ะวูบแบบเรารู้สึกตัวนะคะแต่ว่า วูบอย่างเงี้ยมันหมายความว่าไงอะค่ะเอ่อวูบก็วูบแล้วมันก็เฉยไม่ใช่นะมันไม่คิดอะไรใช่มแต่วูบแล้วแบบในสมองนั้นมันโล่งโล่งไปหมดเลยอะค่ะก็ได้ใเข้าใจว่าก็ได้นั่งเพื่อให้มันโล่งเพื่อให้มันสงบให้มันสบายสบายใจเราก็ยังคิดอยู่นะคะอ๋อก็ยังไม่ไม่ไม่ไม่วูบเต็มไม่ไม่นิ่งเต็มที่ไงค่ะมันยังไม่นิ่งเต็มที่มันมีหลายระดับไงถ้ามันเต็มที่มันจะไม่คิดเลย ้างครั้งแบบพอนั่งนั่งไปเนี้ยแต่รู้สึกตัวรู้สึกตัวแต่วูบ ก, ก็เลยคิดว่ามันเป็นการหลับหรือว่าการมันก็เป็นได้สองอย่างถ้าไม่รู้สึกตัวมันก็หลับ <c oughs> ถ้ารู้ว่าไม่ถ้ารู้ว่ามันวูบแล้วเรายังรู้อะไรอยู่ก็ไม่หลับเหมือนตอนนี้เราคุยกันเนี้หลับไหยรู้แบบเนี้อ่า <c oughs> ก็ต้องรู้แบบนี้ ถ, ถึงจะไม่หลับถ้ารู้ไม่ได้รู้แบบนี้ก็แสดงว่าหลับ คำถามจากคุณเสริมสักด์นะครับแฟนใส่บาทให้แม่ทุกวันแต่ปลายปีญาติๆจะทำบุญกระถินใหญ่ให้ญาติๆที่ร่วงรับรวมทั้งแม่แฟนด้วยแต่แฟนอาจไม่ได้กลับแต่ฝากเงินร่วมทำบุญอย่างนี้ได้ไหมครับได้จกคุณเอคิดนะครับทุกครั้งที่เกิดทุกเราต้องหาสาเหตุคือตัณหาเมื่อเรารู้ว่ามีความอยากหรือไม่อยากอะไร ปัญหามันก็ดับไปเองถูกต้องไหมครับถ้าดับไปเองก็ดีถ้าดับไม่ไม่ดับก็ต้องหาวิธีดับมันคือต้องเลิกความอยากให้ได้เชเวลาเจ็บใข้ได้ป่วยเราอยากให้มันหายมันไม่หายก็ต้องหยุดความอยากนะว่าไม่หายก็ไม่หายเจ็บก็เจ็บไปมันก็จะไม่ทุกข์หรือว่าหมอจะให้ฉีดยาไม่อยากฉีดยามันก็ทุกข์แต่ถ้าหยุดความไม่อยากฉีดยาได้หมออยากจะฉีดก็ฉีดไปมันก็จะหายทุกข์ คำถามยังยังไม่มามครับอาจารย์พระอาจารย์ครับแต่วันนี้มีอ ม, มีมีฝากประชาสัมพันธ์จากทางเรือนจํากลางครับเพราะว่าเขาได้เขียนจดหมายมาขอหนังสือธรรมะของพระอาจารย์ไปอแล้วก็มีผู้ส่งไปให้ครับอโดยมีพระพระพสุทธิสงส่งไปให้ครับอาจารย์แล้วคราวนี้ทางเรือนจําเขาบอกมาว่าทางนักโทษเขาบอกมาว่าถ้าผู้ใดมีศรัทธาเนี่ย อยากจะให้ช่วยส่งธรรมะอะไรไปให้เขาก็ได้ที่เรือนจำกลางจังหวัดชนบุรีครับอาจารย์ครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้พระอาจารย์ช่วยบอกโยมส่งไปได้เลยตรงไปที่นู่นเลยก็ได้ครับพระอาจารย์ก็คุณก็บอกว <laughs> <laughs> ่าไงคำถามมาแล้ว <laughs> น, นักโทษเขาอยากได้ธรรมะครับเขาต้องการเยอะเลยครับมีเท่าไหร่ก็ส่งไปได้เลยเออ ตามสบายนะจะอยู่จะไปก็ได้นะไม่เป็นไรที่นี่ไม่มีเวลาเดี๋ยวจะเลิกก็สี่โมงถ้าไม่มีคำถามจะให้คนที่เพิ่งมาที่หลังเข้ามาทําธุระก่อนก็ได้ไดคำถามรอไว้ก่อนได้ครับได้ครับใครมารที่หลังมีอะไรอยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้อยากจะมาทําบุญถวายของหรือว่าอยากจะมารับหนังสือซีดีก็เชิญเข้ามาได้ลาก่อน ได้ตามสบายเลยไม่เป็นไรช่วงนี้วันธรรมดานี่ไม่มีวเวลาไ่มีเวลาใครจะเข้าจะออกอยังไงก็ได้คำถามเลยนะครับคําถามจากคุณอินซีกูบแดงนะครับนั่งแค่มีสมาธิเล็กน้อยทุกวันทุกวันจะมีโอกาสบรรลุธรรมไหมครับเป็นการบรรลุน้อยๆนันะ่นบรรลุมากคงยังไม่ได้ <c oughs> มันแล้วแต่กําลังถาสมาที่มีกําลังมากมันก็บรรลุได้มากเพราะปัญญาเรามีแล้วปัญญาเรารู้กันแล้วแต่เราทําใจไม่ได้ ร, รู้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เรายัางทําใจไม่ได้เพราะสมาธิเรามีกําลังไม่บ้างพอการทําใจก็คือทําใจเฉยๆยอย่าไปวุ่นวายกับความแก่ความเจ็บความตายเท่งนั้นเองมันก็ไม่ทุกข์แล้วเราชอบไปวุ่นวายกับมันใช่ไหมพอเป็นมาหน่อยขึ้นมาก็วุ่นวายเลย ถ้าเราทำสมาธิได้เราก็หยุดความวุ่นวายได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเจ็บที่ร่างกายเพียงส่วนเดียวจะไม่มาเจ็บที่ใจเพราะใจเราสงบใจเราไม่วุ่นวายเร็นต้องพยายามทำสมาธิให้มากๆสมาธินี่สำคัญมากปัญญาเรามีกันเยอ ะ, ยอะแล้วเนี่ยฟังเทศฟังธรรมนี่เรื่องปัญญาเทนั้นแต่ทำใจไม่เป็นทำใจไม่ได้ทาตามที่เรารู้ไม่ได้ รู้ว่าต้องเจ็บแต่ทําใจไม่ได้เวลาเจ็บหรือว่าต้องตายทําใจไม่ได้เวลาต้องตายหรือว่าต้องพัดภาคจากกันแต่ทําใจไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิวิธีทําใจก็คือทําให้ใจมันนิ่งเขาเรียกว่าทำใจทําใจในี่ก็คือทําสมาธินี่ถ้าเราทําสมาธิเป็นแล้วต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆทําใจได้ใครจะมาใครจะไปก็ทําใจได้อันนี้ทําใจไม่ได้ พอไปเจอใครไม่ชอบที่หน้าหน่อยอยู่ด้วยกันไม่ได้นะเวลาเสียใครที่เราชอบไปก็ทำใจไม่ได้เศร้าโศกเสียใจพราะเราทาใจไม่เป็นเราไม่นั่เราไม่รู้จักทำสมาธิกันถ้าเราทำสมาธิเป็นเราก็จะทำใจเป็นทำใจเฉยๆไงใครจะมาก็เฉยใครจะไปก็เฉยเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็เฉยเสียสิ่งที่ชอบไปก็เฉย พยายามทำสมาธิแล้วต่อไปจะเฉยได้ทำให้มากๆทำไมทำมันน้อยเหลือเกินออย่างอื่นทำไม่ชอบทำมันนักนั่งดูทีวีนั่งกินเหล้านั่งคุยกันนั่งเล่นกันนี่ทักกันมาวันละไรไม่รู้กี่ชั่วโมงพอให้มันนั่งสมาธิขอนิดหน่อยก็พอนั่งแค่สิบนาทียีสบนาทีมันก็เลยได้ไ ด, ได้ผลน้อยทำให้มากๆสิ เน ว, วันพระนี่เรามานั่งสมาธิทําสมาธิกันทั้งวันวันพระนี่ต้องถือว่าเป็นวันทําสมาธิกันทําใจให้ครอบท่านอารย์ทำใจใสงบได้มากเท่าไหร่เวลาเจอเหตุการณ์เราจะเฉยได้จะทําใจได้อา่าเข้ามาคําถามเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนคําถามจากคุณฟุกนะครับการทําอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อส่งต่อไปที่โรงงานยักษ์ใหญ่ไปทําอาหารผิดศีลหรือเปล่าไหมครับ เรามีส่วนได้รับประโยชน์จากการเสียชีวิตของเขาแล้วก็เราก็มีส่วนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําเองก็เหมือนกับว่าสั่งให้เขาทําพราเขาเขาเขาฆ่าแล้วเขาก็เอาผลประโยชน์มาแบ่งให้เราเหมือนส่งเขาไปตายนะครับอาจารย์คำถามข้อต่อไปจากคุณวีรพรนะครับเคยอ่านประวัติหลวงพ่อชาที่ท่านสอนพระ ท่านจะให้ทำตรงกันข้ามกับความต้องการเช่นหน้าหนาวท่านจะให้พระหอมจีวร น, นุ่งแค่สะบงกับอังสะมาภาวนารวมกันที่ศาลาส่วนหน้าร้อนก็ให้ห่มจีวรมานั่งภาวนาการทำแบบนี้ถือเป็นการฝืนความอยากทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่กิเลสเรียกร้องใช่ไหมคะแล้วถ้าเราจะยึดอุบายแบบนี้เป็นแนวทางอย่างเช่นวันนี้ขี้เกียจไม่อยากนั่งสมาธิเดินจงกรม ก็ต้องฝืนทําสงบไม่สงบก็ต้องทําอย่างนี้ถูกต้องไหมคะมันก็ต้องทําถ้าไม่ทํามันก็ไม่ได้ผลต้องฝืนทําต้องจะไปปล่อยทําไปตามใจบางวันอยากจะทําก็ทําบางวันไม่อยากจะทําก็ไม่ทําผลมันก็จะไม่ต่อเนื่องอยากไม่อยากก็ทำเหมือนเวลากินข้าวเนี่ยอยากกินหรือไม่กินก็ต้องกินเพราะรู้ว่าถ้าไม่กินแล้วเดี๋ยวมันหิวสู่กินทั้งทั้งที่ไม่อยากเห็นไหมเพราะไม่อยากจะหิว ถึงเวลานั่งสมาธิถึงเวลาปฏิบัติธรรมก็เหมือนถึงเวลากินข้าวเนี่ยอยากไม่อยากทําก็ต้องทําแล้วมันจะได้ติดเป็นนิสัยไปด้วยพอถึงเวลามันก็จะได้ทําถ้ามันไม่ทําต่อไปมันก็จะติดนิสัยไม่ทำํำพอถึงเวลาจะทําก็ไม่อยากทําก็ไม่ทํามันก็เลยไม่มีวันก้าวหน้าไปได้แต่ถ้าเราบังคับมันอยากไม่อยากถึงเวลาก็ทําทําไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะติดเป็นนิสัยไปพอถึงเวลาก็จะทําเลย คำถามจากคุณวิรันลักษณ์นะครับหลังจากนั่งสมาธิเมื่อจิตรวมแล้วนิ่งมากแล้วควรทําอย่างไรต่อไปดีคะเพราะติดตรงนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วไม่เกิดปัญญาเสียทีทําให้บางครั้งเกิดเบื่อหน่ายการทําสมาธิขอความกรุณาพระอาจารย์แนะนําด้วยคะ่ะก็ทําสมาธิมันจะได้ปัญญาไงทำสมาธิมันก็ได้สมาธิซ้ทําปัญญามันก็ต้องไปทำมันก็ต้องไปทําปัญญาเนี่ยมันคนละเรื่องกัน มืนปลูกข้าวจะไปเอาส้มจากการปลูกข้าวมันไม่ได้หรอกปลูกข้าวมันก็ได้ข้าวการนั่งสมาธิก็เพื่อทําให้ใจสงบเท่านั้นแต่มันสําคัญเพราะว่ามันจะได้ทําใจได้อธิบายไหมถ้าใจสงบเนี่ยเวลาเราใช้ปัญญาเราก็จะได้ทําใจได้ปัญญาก็คือว่ามันจะสอนเราว่าเวลาเจออะไรก็ห้ามมันไม่ได้ ในเวลาเจอความแก่ก็ห้ามมันไม่ได้เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ห้ามมันไม่ได้เจอความตายก็ห้ามมันไม่ได้อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันจะทุกข์ต้องทําใจเฉยๆถ้าเรามีสมาธิเราก็จะทําใจเฉยได้เพราะปัญญาสอนให้เราทําใจให้เฉยอย่าไปอยากไม่แก่อย่าไปอยากไม่เจ็บอย่าไปอยากไม่ตายนี่คือปัญญา ดังเวลาทำสมาธินี้เราไม่ต้องการปัญญาเราต้องการความสงบความเฉยของใจส่วนปัญญานี้เราออกจากสมาธิแล้วเรามาคอยสอนใจว่าอย่าไปอยากไม่แก่อย่าไปอยากไม่เจ็บอย่าไปอยากไม่ตายเพราะอยากแล้วมันจะทุกข์ให้เฉยเฉยแก่ก็เฉยเฉยเจ็บก็เฉยเฉยตายก็เฉยเฉยแล้วมันก็จะไม่ทุกข์นี่คือปัญญาปัญญาต้อง ใช้เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาที่เจอเหตุการณ์จริงเวลาเจอความแก่ปัญญาก็ต้องบอกว่าเฉยๆนะอย่าไปยุ่งกับมันนะไม่ต้องไปย้อมผมไม่ต้องไปดึงหนังนะเหนื่อยไปเปล่าๆทาได้ไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาอีกย้อมไม่ได้กี่วั น, นก็งอกอีกดึงให้มันตึงไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็เหี่ยวอีกอย่าไปฝืนความจริงปล่อยมันแก่ไป เวลามันเจ็บก็รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปเดี๋ยวมันก็หายเองถ้ามันจะหายถ้ามันไม่หายก็อยู่กับมันไปใจจะไม่ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากให้มันหายนี่ ค, <ำ>คือปัญญาอาจารย์ไหปัญญาต้องสอนใจเป็นตัวสอนใจเราต้องคอยสอนใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไปสั่งมันไม่ได้ เช่นร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเราไปสั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เวลามันแก่เราต้องทำใจอย่างเดียวเวลามันเจ็บเราต้องทำใจอย่างเดียวเวลามันตายเราต้องทำใจอย่างเดียวแล้วเราจะไม่ทุกข์ตอไปคำถามจากผู้ปฏิบัติ ด, ด้านล่างนะครับดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้ขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายสภาวะธรรมสองอย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรคบ ก็ดีใจกับมันเสียใจมันจะเหมือนกันตรงไหนล่ะดีใจมันก็สุขใช่ไหมเสียใจก็ทุกข์ก็ถามนั้นจะให้ว่าอย่างไงไงรู้อยู่มันมันลองภูมิลองเรื่องไหนว่ะของนี่มันก็รู้อยู่ด้วยกันทุกคนดีใจกับเสียใจมันเหมือนกันตรงไหนล่ะใช่ไหมคุณอยากจะดีใจก็อยากเสียใจอยากจะดีใจกันทุกคนไม่ใช่เห แล้วมันถามว่ามันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่มันสุขว่ามันทุกข์ไงเวลาดีใจก็สุขใช่ไหมเวลาเสียใจก็ทุกข์คำถามจ้าคุณคงรัฐนะครับถูกตามอาฆาตโดนแกล้งทุกทางบางครั้งก็ทนได้แต่บางครั้งก็เป็นทุกข์มากควรวางใจอย่างไรครับถ้าเพราะที่มันทุกข์ก็เพราะไม่วางใจเฉยไงต้องเฉยอย่างเดียว ก็ไม่นั่งสมาธิกันเลยทําใจเฉยไม่ได้อยากจะให้เขาไม่มาทําร้ายเราอยากจะอยากจะให้เขาไม่มากั่นแกล้งเราก็เลยทุกข์แต่ถ้าทําใจเฉยๆว่าเขาจะทำอะไรก็ช่างหัวเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้เราก็จะไม่ทุกข์จะทําใจแบบนี้ได้ก็ต้องนั่งสมาธิบ่อยๆนั่งสมาธิมากๆแล้วใจมันจะเฉยได้คําถามจากคุณอ้อนะครับ ตอนเด็กๆคุณยายให้ดิฉันและพี่น้องต้มน้ําร้อนและนําไปลาดลังมดตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรไม่รู้ว่าผิดหรือถูกเรื่องนี้ดิฉันลืมไปแล้วแต่พอช่วงหลายปีนี้เริ่มศึกษาธรรมะเรื่องนี้กลับมารบกวนจิตใจตอนนั้นดิฉันบาปมากไหมคะจะมีทางทําอะไรแก้ความผิดได้ไหมคือแก้ไม่ได้หรอกบาปที่ทำไว้มันก็ต้องส่งส่งผลสักวันหนึ่งวันได้วันหนึ่ง คงจะต้องไปเกิดเป็นมดให้เขาเอาน้ำเรีนมาลาดใส่เราว้างเป็นการใช้เวรใช้กรรมกันไปแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลานั้นก็ก็ไม่ต้องไปกังวลกันเลยเรายังมีทางที่จะคล้ายๆว่าเลื่อนเวลาออกไปได้คือเหมือนกับสมัยนี้ที่เขาบอกรอลงอายายังไม่ต้องไปรับโทษถ้าเราทําบุญมากๆแล้วให้ผล ไอ้บุญนี่มันมีกำลังมากกว่าบาปที่เราทำไว้เวลาผลบุญมันจะมันจะมีกำลังมันก็จะส่งบุญส่งผลให้เราได้รับผลบุญก่อนที่จะไปรับผลบาปเอานะพยายามทำบุญให้มันมากกว่าบาปไว้บาปมันเล ย, ยต้องรอลงอายาไว้ก่อนยังไม่มีโอกาสที่จะแสดงผลเพราะว่าบุญมันมีกำลังมากกว่าเช่นองคุลิมาเนี่ยมัฆ่าคนถึง99คนแต่สร้างบุญ ถึงระดับพระอรหันต์นี่กรรมเนยตามไม่ทันเขาหนีผ่านไปซะก่อนไม่กลับมาเกิดพอไม่เกิดก็ไม่มีร่างกายให้คนมาตามฆ่าคำถามจากคุณวิไลวันนะครับเคยฟังเทศของหลวงปู่หรือสีลิงดำท่านเคยว่าไว้ว่าตั้งแต่ปีสอง4้าสมสี่ไปต้นไปจะเป็นเรื่องของอภิญญาใหญ่ อยา่ารบกวนพระอาจารย์อธิบายความหมายให้ฟังหน่อยเจ้าค่ะเ อ, อ๋อท่านว่าไงก็ต้องไปถามท่านเลยไหมถามเราได้ไงคนละคนกันเลยจากคุณพรธนานะครับหนูปฏิบัติอยู่แต่จิตยังไม่เคยรวมเลยค่ะตามที่พระอาจารย์สอนว่าให้จิตรวมก่อนถึงจะได้ปัญญาพิจารณาดังนั้นหนูก็ไม่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาอะไรเลยเหรอคะ หรือว่าควรจะพิจารณาตอนไหนไหมคะเช่นตอนที่เราโกรธใครก็พยายามใช้ปัญญาคิดว่ามันไม่เที่ยงคะ่ะใช้ได้แต่มันทำใจไม่ได้รู้ว่าไม่เที่ยงแต่ใจมันไม่ยอมใจไม่ยอมรับใจมันไม่นิ่งเพราะไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาได้ความจริงปัญญาเรามีกันเยอะแล้วเนี่ยเราฟังเทศทางธรรมกันมาหมดแล้วรู้หมดแล้วว่าจะต้องทำอย่างไร แต่ทำไม่ได้เพราะเราทำใจไม่ได้ทำใจให้สงบไม่ได้เท่านั้นเองถึงบอกให้ทำสมาธิพ อ, อ, อ, อทำสมาธิแล้วก็จะไปทำทางปัญญาได้พอใครเขาดา่าเราก็ทำใจเฉยได้เออปากเขาหูเรา เ, ออเรามีหน้าที่ฟังก็ฟังเขามีหน้าที่ดา่าก็ปล่อยเขาด่าไปออต่างคนต่างทำหน้าทีออ่ใจเราก็เฉยเฉยรับรู้ไว้มันก็จบออไปห้ามเขาไม่ได้ ห้ามปากก็ไม่ได้หูเราห้ามได้ถ้าไม่อยากจะฟังก็ อ, อะไรมาอุดหูหรือถ้าฟังแล้วก็ทำใจเฉยๆมันก็ได้ใจเราไม่เฉยพอเขาด่าเราก็โกรธขึ้นมา ท, ทันทีของขึ้นเลยเพราะเราไม่มีสมาธิหยุดมันถ้าของขึ้นปับ๊บถ้าเราทำสมาธิเป็นเราก็หยุดมันได้ต้องทำสมาธิให้มากๆเพื่อที่จะหยุด กิเลสที่มันจะโผล่ขึ้นเวลาที่มันไปเจอเหตุการ์ต่างๆถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ต้องเจริญปัญญาถ้าเรามีแล้วเราก็ไม่ต้องเจริญเช่นเรารู้แล้วว่าการด่าของเขานี่เราห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราเราไม่รู้เราากพยายามไปห้ามเขานี่เราจะได้หยุดเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องไปห้ามเขาห้ามเขาไม่ได้ เขาอยากจะด่าเขาอยากจะทําอะไรกับเรานี่เราห้ามเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือห้ามใจเราทาใจเราให้เฉยแล้วเราจะไม่เดือดร้อนคําถามจากคุณระวิวันนะครับถ้าเรามีความเฉยมากๆแล้วโดยยังไม่ได้นั่งสมาธิแสดงว่าเรามีปัญญาใช่ไหมคะเพราะรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นกรรมของสัตว์ใช่ไหมคะคือรู้อะไรมามันจะรู้สึกเฉย ไม่ค่อยเศร้าแต่ยังมีความเหงาเป็นบางครั้งมันก็มีทั้งสองส่วนเนี่ยถ้ามันเฉยด้วยปัญญาก็คือว่ามันรู้ว่าทำอะไรไม่ได้มันก็เฉยถ้ามันเฉยได้ก็แสดงว่ามันมีสมาธิแต่ถ้าว่ามันมันไม่เฉยมันรู้อะไรแล้วอยากจะไปทำก็แสดงว่ามันไม่มีสมาธิหรือไม่มีปัญญามันก็เป็นได้ทั้งสองอย่าง แต่บางทีมีปัญญาแต่ยังเฉยไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีสมาธิแต่ถ้ามีปัญญาหรือว่าเป็นกรรมของสัตว์แต่ยังเฉยไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีสมาธิถ้ารู้ว่าเป็นกรรมของสัตว์แล้วเฉยได้ก็แสดงว่ามีทั้งปัญญามีทั้งสมาธิคำถามจากคุณพันนภานะครับถ้าเราสะสมทานและสิงมากๆจะทำให้เราเข้าสมาธิได้ง่ายและเร็วกว่า คนที่ทำทานมาน้อยและศีลไม่ครบหรือไม่คะถูกต้องเพราะว่าคนที่ทำทานกับศีลนี่จะมีความสงบเป็นพื้นฐานมากกว่าคนที่ไม่ทำทานกับรักษาศีลนะคนที่ไม่ทำทานรักษาศีลนี่มันจะมีความโลภมากแล้วก็จะคิดทำร้ายผู้อื่นแล้วหรือไปทำร้ายผู้อื่นแล้วก็จะไม่ใจไม่ไม่สบายใจวุน่นวายแต่คนที่ทำทานคนรักษาศีลนี่จะโ Preis, ลภน้อยแล้วก็จะไม่มีความวุ่นวายใจ จากการจากการไม่ได้ไปทำร้ายผู้อื่นมันก็เลยจะทำให้ทำให้ใจสงบได้ง่ายกว่าเพราะมันสงบไปส่วนหนึ่งแล้วสงบด้วยทานสงบด้วยศีลคำถามจากคุณเบนซ์นะครับถ้าขณะเราขับรถแต่เรารู้สึกอยากสวดมนต์หรือฟังธรรมเราจะสามารถทำได้ไหมคะก็แล้วแต่ว่า มันจะมามาทําให้การขับรถของเราไม่ปลอดภัยหรือเปล่าถ้ามันทําให้การขับรถเราไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ควรฟังควรที่จะตั้งใจอยู่กับการขับรถจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยถ้าอยากจะฟังก็จอดรถซะก่อนแล้วก็ฟังให้พอถ้าจะฟังด้วยขับไปด้วยมันก็แบ่งเป็นสองครึ่งหนึ่งก็ไปที่ฟังอ้กครึ่งนึ่งก็อยู่ที่รถเดี๋ยวเกิดมีอุบัติเหตุมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่ฟังไม่ได้อยู่ที่รถมันก็ชนกันได้ คำถามจะคุณบีนานะครับคนที่นอนหลับและเสียชีวิตเขาจะไปสู่อีกภพหนึ่งโดยกรรมแบบไหนคบก็กรรมแบบที่เขาทำไว้คือเราสะสมทั้งบุญทั้งกรรมในขณะที่เรามีชีวิตอยู่พอถึงเวลาตา ย, ยจะตายในเวลาไหนเวลาหลับหรือเวลาตื่นมันไม่ได้เปลี่ยนไ ป, น เ, ป, น เ, ปนเปลี่ยนแปลงบุญกรรมที่เราได้ทำไว้บุญกรรมมันจะมาแย่แยงดวงวิญญาณของเราไป ถ้าบุญมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงไปทางสวรรค์ถ้าบาปมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงไปทางอบายไม่ว่าจะตายแบบไหนตายแบบนอนหลับตายตายแบบอุบัติเหตุตายแบบเขาฆ่าตายตายเพราะกระโดดตึกตายหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ไปเปลีป่ย น, นแปลงบุญบาปที่เราทําไว้แต่ถ้าตายแบบกระโดดตึกตายนี่มันเพิ่มบาปขึ้นอีกเพราะการฆ่า ต, ตัวตายนี่ก็เป็นการทําทําบาปเพิ่มขึ้นอีก มันก็เลยไปไปอบายแน่เลย ท, ทั้งทั้งที่ถ้ายังไม่ได้ฆ่าตัวตายอาจจะไม่ต้องไปอบายพอมาฆ่าตัวตายมันไปเลยไปอบายก่อนเลยเพราะบาปมันแรงการฆ่าตัวตายนี่แบบพอๆกับฆ่าพ่อมาฆ่าแม่ลองลงมาเลยเพราะเรารักใครมากกว่าตัวเราใช่หไหมคําถามอ่าคําถามจะคุณ นายิกานะครับเคยเลี้ยงไก่เพื่อนเอามาให้เลี้ยงพอเขาเอาไปฆ่ารู้สึกนอนไม่หลับกลัวบาปเลิกเลี้ยงแล้วแต่ยังจำได้รู้สึกยังติดค้างอยู่ทำอย่างไรถ้าเราไม่ได้เป็นคนฆ่า เ, เราไม่บาปถ้าเราไม่ได้ไปให้เขาาสั่งเขาาเอาไปฆ่าเราไม่บาปก็อย่าไปเลี้ยงต่อไปเลี้ยงก็ต้องรักษามันให้มันอย่าให้มันตาย แต่ก็ควรเลิกเลี้ยงไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์ไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็เอามาฆ่าเอาไปฆ่าอีกออคำถามจะคุณเกียรติศัก์นะครับตอนนั่งสมาธิอยู่กับพุทโธอยู่ได้แวบเดียวมันก็ไปคิดเรื่องอื่นพอเรารู้สึกก็กลับมาพุทโธใหม่อย่างนี้เรียกว่ามีสติใหม่ครับเวลาที่มันแวบไปคิดควรดึงกลับมาพุทโธหรือดูความคิดไปอย่างมีสติ อ, อ๋อ เวลามันไปคิดก็แสดงว่าสติขาดแล้วเวลาอยู่กับพุโทโธก็แสดงว่ามีสติงั้นอย่าไปดูความคิดเนี่ยถ้าดูความคิดมันก็ไม่มีสติแล้วสตินี้เราไวมีไว้เพื่อให้หยุดความคิดไม่ให้ไปดูความคิดงั้นการจะมีสตินี้ต้องไม่คิดต้องอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆถึงจะมีสติถึงจะหยุดความคิดได้ ถ้าไปดูความคิดมันก็พาเราคิดเรื่อยเปื่อยไปเลยคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้ขึ้นมาก็เลยนั่งไม่ติดแล้วเลยพอคิดถึงขนมกาเดี๋ยวก็อยากจะลุกขึ้นไปกินขนมนล้วงั้นอย่าไปอย่าไปดูความคิดหยุดความคิดใา่การสอนของบางที่เขาจะให้ตามดูความคิดครับอาจารย์หม่าเขาไม่ว่าอะไรไเลยเราไม่ว่าอะไรสอนอยังไงก็ได้เราไม่ขัดจังนั้นแต่เราสอนคนเราแบบนี้ี่ย ใครอยฟังแบบนี้ก็เอาแบบนี้ก็ได้ไม่เอาแบบนี้ก็ได้แต่เราไม่เถียงกับใครแล้วก็อยากจะไปตามดูความคิดกับตามไปแต่เราต้องการให้หยุดความคิดพอมีความคิดแล้วมันมีความอยากตามมาถ้าไม่มีความคิดมันก็ไม่มีความอยากมันก็จะมีความสงบเราต้องการความสงบเราต้องการให้ใจมันนิ่งไม่ต้องการให้มันคิดหมดนะครับพ <k awan. S 1> ่อจ๋า พอดีเ่อใกลเวลาหมดพอดีมีใครอยากจะถามไหมแถวนี้ไม่มีก็ขออนุโมทนาที่อุตส่าห์เดินทางมาทั้งจากที่ใกล้ที่ไกลก็ขอให้มีความยินดีในธรรมไปเรื่อยๆเพราะลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงมีธรรมแล้วจะมีความสุขมากกว่ามีอะไรทั้ ง, งหลายในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เรามีในโลกนี้สักวันหนึ่งมันจะต้องทําให้เราทุกข์ อ้อมันจะต้องจากเราไปนั่นเองเราจะต้องจากมันไปยิ่งอย่าไปมีอะไรขอให้มีธรรมขอให้ยินดีในธรรมแล้วจะมีแต่ความสุขการแสดงก็พอสมควรขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปท่าน